ร a หังสัมมาสัมพุทโธพระขวานภูังพระวันตังนาดิวัติสวากาโตพระขวาตังดัมโมธรรมนามสัมสุปฏิปันโนพ a ะ a วัตโตสาวกสังโ สังฆนามนามโอตัสสังฆาวัโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธ a นามโอตัสสังฆาวัโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธา นะโมตักษะมะคาวโตอะระหะโตสมมาสัมปุทสัยขอโมทนาประพวกเราทั้งหลายนะที่ตั้งใจในการที่จะศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยในวันนี้ก็มาศึกษาต่อจากหลายๆครั้งก็คือตอนนี้ก็ศึกษาในคัมภีร์สติปัฏฐานกันอยู่ ในการศึกษาสติปัฏฐานเนี่ยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะผ่านมาในส่วนของอุเทศแล้วก็ขึ้นมานิเทศใช่ไหมในส่วนของกายานุปัสนาสติปัฏฐานก็ก็เป็นไปตามลำดับโดยเฉพาะในส่วนของเวทนากายานุปัสนาทั้งที่เป็นไปในส่วนของอานาปานาบัปปียาบทตรบัปปินต้นเหานี้ใช่ไหมแล้วก็ศึกษากันมาตามลำดับ ในครั้งที่แล้วได้พูดเกี่ยวในเรื่องของพุทธคุณไม่ได้เชื่อมโยงในไปถึงในเรื่องการปฏิบัติสักเท่าไรเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าต้องการให้เราท่านทั้งหลายเนี่ยได้น้อมหรือได้เห็นคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าในกรณีที่เราท่านทั้งหลายได้มาศึกษาคมภีร์สติปฐานเป็นต้นนั้นก็เพราะว่าอาศัยพระกรุณาที่คุณนะของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้น ว่าพระ อ, องค์นั้นมีพระปัญญาคุณมีพระมหากรุณาที่คุณมีพระบริสุทธิ์ที่คุณเป็นต้นที่เราได้ศึกษาเมื่อธรรมของพระพภาคเจ้ามาเป็นไปตามลำดับเนี่ยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราท่านทั้งหลายนั่นก็ต้องต้องระลึกถึงคุณของท่านให้มากเมื่อเราระลึกถึงคุณของท่านให้มากแล้วเนี่ยก็เลยเป็นปัจจัยแก่การที่จะได้ทั้งตลอดเกี่ยวเรื่องการจับบรรลุธรรมตามที่พระ อ, องค์ทรงได้บรรลุได้ ทีนี้ก่อนที่จะมาศึกษาในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยในส่วนของสติปัฏฐานได้กล่าวมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าในการศึกษาสติปัฏฐานสูตรโดยเฉพาะคัมภีร์ที่เป็นสติปัฏฐานที่ว่าโดยอุเทศแล้วก็ว่าโดยนิเทศเป็นต้นแหล่านี้ในส่วนของกายานุปัสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาแล้วก็ธรรมานุปัสนานี่นีโดยเฉพาะในส่วนของอุเทศ พราะในการศึกษาคําสอนเนี่ยอันแรกจริงๆก็คือเกี่ยวในเรื่องของการศึกษาในเรื่องของสติปัฏฐานสูตรที่บอกว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้คําว่าข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้นั้นบ่งบอกถึงท่านพระนรินนะว่าท่านพระนรินเถรานั้นนะท่านเป็นผู้ได้กล่าวบอกว่าเพราะทําคําสอนของพระผู้มีภาคเจ้าที่ท่านได้สดับมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีภาคเจ้าเนี่ยท่านได้สดับมาเฉพาพพะพระพักนะ แต่ท่านก็ออกตนเองด้วยการที่ท่านนั้นไม่ได้เป็นสยัยมภูยานไม่ใช่ผู้ตัดสรุปชอบได้โดยตนเองฉะนั้นพระธรรมคําสอนที่บอกกล่าวมาเนี่ยท่านทรงจํามาได้เฉพาะพระภาคของพระผู้เมียภาคเจ้าแล้วก็ที่บอกใช้คําว่าเ e, อวังเมสุตังเป็นต้นนั้นได้ขยายมาแล้วทีนี้สมัยหนึ่งตอนนั้นพระบรมศาสดาประทับอยู่ในควานกุรุทั้งหลายอาศัยนิคมของชาวกุรุชื่อว่าดัมมาาธรรมะ หน้าที่นั้นนะพระพุทธเจ้าก็จัดเรียกภิกษุทั้งหลายบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยอันนั้นในข้อที่ร้อยสามสิบเอ็ดในข้อที่ร้อยสามสิบเอ็ดเนี่ยเกี่ยวขึ้ในเรื่องของนิทานนิทานในที่นั้นก็แปลว่าเหตุเหตุเป็นมาเรื่องราวความเป็นมาถ้าถามพวกเราตรงนี้บอกว่า เหตุเป็นมาหรือเรื่องราวความเป็นมาเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยนะถามว่าเหตุหรือเรื่องราวความเป็นมาในการแสดงสติปัฏฐานสูตรเนี่ยหรือที่เรียกว่านิทานหรือเหตุเนี่ยเหตุต่างๆในการที่จะพระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมเนี่ยนะเขาเรียกว่าสมุทฐาน สมุทฐานคือการกล่าวสาเหตุถึงการแสดงพระสูตรนี้โดยเฉพาะเนี่ยด้วยคำว่าพระผู้มีภาคเจ้าแสดงพระสูตรนี้นั้นเพราะเหตุอะไรก็ต้องบอกว่าสาธารณะสมุทฐานกล่าวคือสาเหตุถึงการแสดงพระสูตรโดยทั่วทไปเป็นนั้นนะนะแต่ถ้าถามบอกว่าพระตกรถาจาร์เนี่ยท่านกล่าวถึงสาเหตุของการแสดงธรรมสติปัฏฐานสูตรเนี่ยเป็นอะไรระหว่างสาธารณะสมุทฐานกับอสาธารณะสมุทฐาน ก็ต้องบอกว่าสติปัฏฐานสูตรนี้เป็นอาสาธารณสมุทฐานคือสาเหตุแห่งการแสดงพระสูตรนี้โดยเฉพาะไม่ใช่สาธารณะสมุทฐานเพราะอะไรถึงกล่าวอย่างนั้นเพราะว่าเป็นพระสูตรที่แสดงให้เป็นไปนตามอัธยาศัยของท่านของไทยของชาปุรุชาปุรุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภิกษุก็ดีภิกษุณีก็ดีอุบาสกและอุบาสิกาก็ดีเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ มีสติปัญญาค่อนข้างดีแล้วก็สปายะท่านเยอะไม่ว่าจะเป็นอุตุ ก, ก็สปายะอาหารก็สปายะและสิ่งแวดล้อมค่องท่านก็เป็นสปายะใช่ไหมต้นเรื่องที่เราศึกษากันมาเนี่ยอ่าทําไมต้องบอกว่าสปายะก็บอกว่าในชาวกุรุทั้งหลายเนี่ยในชนชาวกุรุเนี่ยเป็นบุคคลที่ใฝ่ในพระธรรมเจอหน้ากันเขาจะไม่คุยเรื่องอื่นใช่ไหมเขาจะถามกันเรื่องสติปัฏฐาน เขาจะถามว่าเออเนี่ยคุณจเจริญสติปัฏฐานแบบไหนเงีย้ยฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นเน่ยเหตุผลแห่งการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้านั้นแสดงไปตามอธัธยาศัยของอพระองค์เองก็มีแสดงไปตามอธัธยาศัยของสัตว์ก็ดีก็มีหรือแสดงไปตามเหตุหรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นทั่วเนี่ยเป็นต้นไปก็มีเป็นต้นแต่ในพระสูตรเนี่ยท่านแสดงตามอธัธยาศัยของท่านคือของพระพุทธเจ้าทิ้งท่านตรวจดูแล้วว่า ชาวกุรุนั้นเหมาะสมที่จะรับสติปัฏฐานสี่เป็นต้นฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเป็นเป็นสาธารเป็นอาสาธารณะสมุทฐานที่นี้ในบรรดาสมุทฐานทั้งสองอย่างเป็นสาธารณะและอาสาธารณะนั้น น, นะถ้าสาธารณะสมุทฐานก็เป็นสาเหตุใงการแสดงพระธรรมเทศนาโดยทั่วท่วไปถ้าอาสาธารณะสมุทฐานก็แปลว่าสมุทฐานหรือสาเหตุในการแสดงธรรมโดยเฉพาะ ทีนี้ในบรรดาสาธารณสมุทฐานนั้นก็แบ่งเป็นสองเป็นอัจฉติกาสาธารณสมุทฐานกับพาหิระสาธารณสมุทฐานในบรรดาสมุทฐานทั้งสองอย่างนั้นสาธารณะอัจฉติกรรสมุทฐานหมายถึงทรามหากรุณาธิคุณของพระผู้มีพระเจ้าที่ดาริในการที่จะแสดงธรรมพระเจ้าเนี่ยดำริในการที่จะแสดงธรรมในการโปรดเวนยสัตว์เนี่ยนะได้เกิดขึ้นในหาไทยของพระเจ้านีเกิดขึ้นจากอะไร เกิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าเนะี่มีมหากรุณาธิคุณตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเนะียเอาถามว่าทําไมาจึงเป็นตั้งแต่สมัยเป็นพระโพธิสัตว์ก็ตอนที่เอาเห็นชัดๆหน่อยเอาเสียสงไข้ท น, นไม่ต้องนับว่ายี่สิบบอกยี่สิบก็มีมหากรุณาธิคุณอยู่แล้วเอาเสียสงไขตอนที่ท่านพระพุทธเจ้าทีปังกอนะ่ะตอนนั้นท่านมนียพิญยา ใช่ไหมแล้วก็ท่านได้สมาบัติแปด 8. พอท่านเห็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็เกิดศรัทธาเพราะเกิดศรัทธาเบีดเสร็จแล้วเนี่ยต่อมาท่านก็มีความรู้สึกว่าคนอย่างท่านเนี่ยควรจะมีกรุณาในการที่เมื่อตัดสู้แล้วจะให้คนอื่นตัดสู้ด้วยเมื่อข้ามได้แล้วจะให้บุคคลอื่นข้ามด้วยเมื่อพ้นจากราคะโทสะโมหะนั้นข้ามกามโมฆะภะโวคฆะทิฏฐคะ อาวิโชคะแล้วะจะยังบุคคลอื่นใหข้ามด้วยเป็นต้นท่านก็เห็นบอกสังสารวัตรนี่มีภัยมากคําว่าสังสารวัตมีภัยมากเป็นชื่อของอะไรเป็นชื่อของขันท่าดยัญนนะใช่ไหมขันท่าดยัญนะที่เกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายจะเรียกว่าสังสาระทีนี้สังสาระนี่เป็นชื่อของตาหูจมูกลิ้นกายใจคือท่านเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยความมีภัยใช่ไหมซึ่งซึ่งผิดกับเราท่านทั้งหลาย เราไม่เคยคิดเลยนะว่าตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยมันมีภัยยังไงแต่ในสายตาของพระโพธิสัตว์ได้กล่าวไว้แล้วว่าปกติเนี่ยโลกเนี่ยกล่าวครั้งที่แล้วกล่าวสามอย่างกล่าวเรื่องสังขารโลกกล่าวเรื่องสัตวโลกกล่าวเรื่องโอกาสโลกถามว่าสังขารโลกเนี่ยหมายถึงโลกคือสังขารได้แก่อุปาทานกันห ใช่ไหมโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยเรียกว่าสังขารโลกตาหูจมูกเล้นกายใจยเนี่ยเรียกว่าสังขารละโลกเขา้าใจยังเนี่ยที่ประกอบกันเป็นเราเนี่ยที่เราสมมุติเนี่ยนะแท้ที่จริงก็คือการเป็นไปของตาหูจมูกเล้นกายใจการเป็นไปของรูปเวทนาสัญญาสังขารมิจญาจะไม่ย้อมสมัยนี่เขาเรียกสังขารสังขารเนี่ยมันเกิดดับสืบต่อกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกโลก ข, ขันธโลกนั่นเอง โรคคือขันห้าทีนี้พอมีโลกมีตาหูจมูกลิ้นกายใจประชุมนั่งอยู่นั่ที่ไหนแล้วก็มีบัญญัติว่าสัตว์บุคคลที่นั่นใช่ไหมถ้าบัญญัติในไบยภูมิก็เรียกว่าไบา ย, ย, บ ย, ยสัตว์ถ้าบัญญัติในมนุษย์ภูมิก็เรียกมนุษย์สัตว์สัตว์นี่นะถ้าบัญญัติในทถ้าไปไปไปประชุมกันในเทวภูมิก็เรียกว่าสัตว์โลกในเทวภูมิหรือในรูปภูมิรูปภูมิก็ว่าไปนั้นเขาเรียกว่าสัตว์ตวโลก คำว่าศาัสตรตวโลกในที่นี้ก็แปลว่าผูกคล้องผู้ติดผู้ผัวพันผู้ยึดอยู่ในไหนผู้ติดอยู่ในไห น, ไหนใช่ไหมก็ติดอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือติดในรูปเสียงจินรถนี่แหละสัมผัสนี่แหละแสดงว่าถ้าถ้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอยู่นะที่ไหนก็มีการบัญญัติสัตว์บุคคลหน้าที่นั้นใช่ั้ม ถ้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารมียาณอยู่หน้าที่ไหนการบัญญตัติสัตว์บุคคลก็มีหน้าที่นะงั้นการบัญญัติว่าอบายสัตว์อบายภูมิใช่ไหมว่าเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกนี่คือสัตว์นะมนุษย์หนึ่งเท е วภูมิหกโลกภูมิสิบหกแล้วก็โลกภูมิอีกสี่รวมเป็นสามเดนี่ยนะสัตว์ที่อยู่ในแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นแหละคือมีมีสังขารปรากฏที่ไหนก็มีบัญญัติอยู่ที่นั่นเขาเรียกสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์โลก ีนี้อีกอย่างหนึ่งนะสัตว์เหล่านั้นปรากฏหน้าที่ไหนก็จะต้องมีภาชนะรองรับใช่ไหมจะต้องมีโลกใบนี้อยู่ไหมนั่นเขาเรียกว่าโอกาสะโลกเขาจะยังนั้นโลกสามไปด้วยกันไหมไปด้วยกันหรือไม่ไปด้วยกันใช่ไหมใช้คําว่าไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ ทีนี้เราก็จะเห็นความเป็นไปของขันความเป็นไปของสัตว์ความเป็นไปของภาชนะโลกที่มันเว้นจากกันไม่ได้ถ้าโยมจับไปถือปฏิสนทีหน้าที่ไหนก็สังขารนี่แหละไปปฏิสนทิเมื่อสังขารปฏิสนทีหน้าที่ไหนการประชุมเนีการสมมุติเรียกว่าสัตว์บุคคลก็มีหน้าที่นั่นถามว่าตัวสังขารเนี่ยไปถือปฏิสนทีเนี่ย ต้องมีภาชนะรองรับคือโลกใบหนึ่งๆใช่ไหมเขาเรียกพบเขาเรียกภว่าไปนั่นแหละทีนี้เราท่านทั้งหลายเนี่ยยังนับว่าเป็นถือว่าเป็นสัตว์อยู่ตราบนั้นแหละถ้ายังไม่เงยศีรษะออกจากสังสา ร, รวัตรเข้าใจยังใช่ไหมถ้ายังติดนั่นไม่มีความดำํำริความคิดจะออกจากขันเนี่ย ถ้าไม่คิดจะออกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจอยู่ตราบใดก็เรียกว่าสัตว์โลกแต่ถ้าหากมีความดำริหรือมีความมุ่งมั่นมีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญามีฉันทาวิริยจิตตวิมังสาเนะในการที่คิดว่าปรารถนาจะตัดสุขสัตว์นั้นเ็าเรียกว่าโพธิเะไรอย่างนี้คัโพธิสัตว์งั้นในบรรดาโพธิสัตว์เขาแยกเป็นสาม สัมมาสัมโพธิสัตว์เห็นไหมเออสัตว์เนี่ยมีสัมมาสัมโพธิตัดเจกับโพธิแล้วก็สาวกะโพธินอกนั้นไม่คิดจะออกจากตาหูจมูกเล่นไงยถ้าไม่สร้างโพธิในใจเพราะอย่างก็จะยินดีกันอยู่นั่นแหละย้อนหวัมองออกไหมถามว่าจริงๆแล้วในกระแสจิตของเราที่เราเราคิดบ้างไหมว่าเราอยากจะออกก็เราก็เป็นได้แค่สัตว์โลก แค่สัตว์ตเป็นผู้ที่เกาะ อ, อยู่ในพบนี้แล้วก็จะยินดีอยู่ในพบนี้แล้วก็ไม่เคยจะคิดเป็นสิ่อิสระทักทีทีนี้อาตมาก็ใช้คําต่อไปก็ว่าเอาคาสอนมาเปรียบเทียบว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าตัณหาทุติโยบุรีโสบุรุษสตรินะตอนนั้นใช้แทนเขาบุรุษนี้เป็นประธานแบบบุรุษมีตัณหาเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสองก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่กําลังทํากิจกันอยู่เนี่ย เรามีตัณหาเป็นเพื่อนตอนนี้เนี่ยนะก็แปลว่าเราจะทําอะไรต่างๆเนี่ยตัณหาก็จะคอยกระซิบเราอยู่ตลอดเวลาเนี่ยฉะนั้นเมื่อมีตัณหาเป็นเพื่อนเนี่ยอย่าพูดถึงการเรื่องพ้นทุกข์มันจะเป็นโพธิสัตว์ไม่ได้ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็มีศรัทธาเป็นเพื่อนใช่ไหมดูสิว่าคําว่ามีตัณหาเป็นเพื่อนเนี่ยพูดให้ชัดๆก็คือว่าเป็นธาตุของตัณหา แต่ถ้ามีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเป็นเพื่อนเขาเรียกว่าเป็ น, ปนทาสของพระพุทธเจ้าเราก็ไปนั่งคิดดูว่าเราจะเป็นทาสของพระพุทธเจ้าหรือจะเป็นทาสของตัณหาถ้าเป็นทาสของพระพุทธเป็นทาสของตัณหารเราก็เป็นกันอยู่นี่แหละใช่ไหมเราก็ยินดีในพบยินดีในการกินยินดีในการนอนยินดีในการทางาน ยินดีในการที่จะต้องดูนุ่นดูนี่ทําำกิจกรารอะไรต่างๆเนี่ยที่เราบอกว่าแม้มันเป็นเรื่องวุ่นวายต้องทําก่อนนี่แหละอันนั้นนะคือตันหาเป็นเพื่อนหรือเราเป็นทาสของตันหาไปแล้วแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งเราเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสําคัญกว่าตันหาเรื่องการตัดสู้เรื่องการหลุดพ้นเนี่ยเป็นเรื่องต้องเร่งต้องเร็วๆไวๆ ต้องไปเร่งรีบด่วนเป็นเรื่องเฉพาะหน้าเป็นเรื่องต้องศึกษาต้องรีบต้องค้นคว้าเพราะชาติชาลามรทยาธิที่มันเบียดเบียนเราแล้วถ้าคิดอย่างนี้นะอันนี้เขาเรียกว่ามีศรัทธาเป็นเพื่อนแล้วก็เป็นทาทของพระเจ้าเราไปสวดมนต์เรวบอกข้าพเจ้าเป็นทาทของพระเจ้าเขาเป็นท้าทายของพระตามเขาเป็นทาทของพระสงฆ์ถามว่ามันจักแต่พูดหรือไม่อันนี้ไปนั่งคิดดูนะ เออเราสักจะพูดไหมก็ให้สังเกตดูว่าพฤติกรรมที่เรากําลังเป็นอยู่่ะในชีวิตจริงเนี่ยยศสมาสังเกตอย่างนั้นนะว่าจริงๆริเนเป็นอย่างนั้นหรือไม่จิตดําหนีในการคิดหลุดคิดออกคิดจะพ้นจริงๆเนี่ยมันมันชัดเจนไหมเนี่ยอันนั้นก็ไปตรวจสอบอันนี้ก็ในคําสอนเขาจะตรวจสอบซึงเนี้ยนะแล้วก็ไปพิจารณาดูอย่างนั้นตรงนี้ก็ต้องมาศึกษาดูว่าเออนี่นี่คือคํา ที่พระเจ้าตรัสบอกว่าพระองค์นั้นทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณนะถามว่าถ้าหากว่าพระธรรมคาสอนของพระเจ้าเนี่ยถ้าพระองค์ไม่มีพระมาหากรุณาธิคุณอยู่ในกระแสจิตแล้วนะหมดสิทธิ์เลยกรณีที่เราจะมารู้ทั่วถึงธรรมหรือจะมาเข้าถึงเข้าศึกษาพระธรรมคําสอนอพระเจ้าก็ไม่มีบรรยากาศตรงนี้ฉะนั้นบรรยากาศตรงนี้ที่เกิดขึ้นมาได้นั้นต้องอาศัยว่าพระผู้มีพรุทธเจ้าทรงมีพระมาหากรุณาธิคุณดังนั้นก็ไม่มีใครมากล่าวพระธรรมแล้วก็ไม่มีคนฟังธรรมเป็นต้นเลยเนี่ยนะ อันนั้นคือคือเราท่านทั้งหลายก็ต้องตระหนักในการที่จะคิดตรงนั้นส่วนภัยรัสมีฐานหมายถึงการราฐนาหรือสิ่งเกี่ยวข้องทั้งหลายที่อยู่เป็นปัจจัยภายนอกอันนั้นก็ก็ไปพิจารณาตามเหตุการณ์ต่างๆเป็นต้นทีนี้ก็คือจะเข้าในคําสอนในส่วนที่บอกว่าพระพุทธเจ้าตรัสในข้อต่อไปก็บอกตรัสฟาสิบบกดูความพิกาุณทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเอกนี่นะ เพื่อความบริสุทธิ์ของเราสัตว์เพื่อก้าวร่วงความโศกและปริเทวะเพื่อดับศูนไปแห่งทุกข์และโดมานัตเพื่อบรุษทำที่ถูกต้องเพื่อกระทําพระนิพพานในแจ้งในครานี้มีเจ็ดประการนะเขาเรียกอนิสงส์ที่พระพุทธเจ้าพรฒนาก่อนบอกว่าคําว่าทางในที่เนี้ยพระพุทธเจ้าตรัสหมายถึงอริยมรรคเอกายโนยังพิคเวมัคโคพระุทธเจ้าตรัสอริยมรรคโดยเอกวัจนะว่าทางนี้มีเป็นทางสายเดียว ที่จะทับจะเป็นหนทางอยู่ไหมถามบอกว่าในปัจจุบันนี้สัตว์โลกทั้งหลายต้องสแสวงหาพระนิพพานเ อ, อ่มข้อไปต้องสแสวงหาริยมัคริรยมัคเนี่ยนะถามบอกว่าได้แก่อะไรได้แก่สัมมาทิฏฐิเป็นต้นอยู่ไหมสัมมาสังกัปต์สัมมาวาจาสัมมากรรมตัสสัมมาอาชีวะสัมมาวิมุตตสัมม า, ส, มาสติและสัมมาสมาธิอันนี้คือมัคแปดที่นี้มัคแปดเนี่ยมีอยู่สองส่วน ส่วนที่เป็นอริยมาร์นั้นหมายถึงมารคที่เป็นโลบุตระแต่ส่วนที่เป็นสัมมามาร์คนี่เป็นส่วนของโลกียามารคใช่ไหมทีนี้ในส่วนของโลกียามารคเนี่ยถ้าบอกมารคแปดเนี่ยมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังฆาเนี่ได้แก่ปัญญาขันสัมมาวาจาสมากรรมตะสมาชีวะได้แก่ศีลขันสัมมาวายามะสมาสติสมาสมาธิได้แก่สมาธิขัน สรุปถ้าสลับซ้ายสลับขวาหน่อยก็คือว่าเอาข้างบนลงล่างเนี่ยตรงกลางไว้ข้างล่างหน่อยก็คือศีลสมาธิปัญญาไหนะทีนี้ศีลสมาธิปัญญาคือสิกขาสามทีนี้สิกขาสามที่เป็นปุบภะภาคเนี่ยเขาเรียกว่าอรอิยมรอเข้อไปที่เขาเรียกปุบภะภาคของมรรคทีนี้มรรคเหล่านี้อยู่ตรงไหนศิกขาสามอยู่ตรงไหนศีลอยู่ไหนสมาธิอยู่ไหนปัญญาอยู่ไหนก็ต้องมาคิดเอางี้ ศีลเป็นรูปะขันไหมยศีลเป็นเวทนาขันไหมไม่มีเสียงตอบเลยเนี่ยนะศีลเป็นรูปะขันไหมศีลเป็นเวทนาขันไหมศีลเป็นสัญญาขันไหมศีลเป็นสังขารขันไหมศีลเป็นวิญญาณขันไหมด่มาเอาละสิเดี๋ยวนี้ศีลไม่ใช่รูปะขันศีลไม่ใช่เวทนาขันศีลไม่ใช่สัญญาขันศีลไม่ใช่วิญญาณขันศีลคือสังขารขัน ถามว่าสังขาระขันทั้งหมดเป็นศีลใช่ไหมเป็นกุศลศีลใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมเนี่ยฉะนั้นศีลบางสังขารละขันบางส่วนเท่านั้นเป็นศีลเจตนาชื่อศีล เ, เจตสิกชื่อวศีลสังวรชื่อวศีลอวิติกมะคือการไม่ก้าวล่วงชื่อศีลแท้จริงอวิตริกรมะท่านหมายถึงกุศลเอาทั้งหมดเลยกุศลจิดุบาท ตัวนั้นนะเอาทั้งน้ำ ม, มาทําทั้งหมดนะขอไฟตรงนั้นนะ่อทีนี้พอเข้าใจแบบเสร็จตรงนี้แล้วเห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยศีลเนี่ยคือนาำ ม, มาทําทีนี้ถามบอกว่าตัวสังสารวัตรก็คือรูปและนามำคำว่าสังสารนี่แปลว่าอะไรความเกิดขึ้นสืบต่อกันของขันท่าเยตนาที่เกิดขึ้นสืบต่อกันโดยไม่ขาดสายเรียกว่าอะไร เรียกว่าสังสาระฉะนั้นสังสาระหรือสังสาราวัฏนี่เป็นเป็นชื่อของขันเป็นชื่อของธาตุเป็นชื่อของอายตนะที่เกิดติดต่อกันโดยไม่สักาสายถามว่าในขณะที่นั่งกันอยู่เนี่ยขันธาตัยนตนะเกิดสืบต่อกันอยู่ไหมเกิดไม่เกิ ด, ดเอาในเมื่อมันเกิดสืบต่อกันเป็นไปตามลําดับอย่างนี้ก็แสดงว่าตรงนี้สังสาระมันเดินอยู่ใช่ไหมเนี่ย ทุกขณะจิตไหมเ น, นี่ยนะขันธ์ธาตุยตนาเนี่ยมันเดินอยู่ทุกขณะจิตแสดงว่าตอนนี้สังสารวัตมันเดินอยู่ศีลเป็นชื่อของสังสารวัตรไหมใช่ไหมศีลเนี่ยเป็นชื่อของสังสารวัตรไหมก็เป็นชื่อของขันธ์นั่นแหละฉะนั้นเวลาจะพ้นจากทุกก็ใช้ศีลใช้สมาธิ ก็ใช้ขันซึ่งเป็นกลุ่มน้ำมาขันนี่แหละคิดจยคิดในการที่จะพ้นมันอยู่ด้วยกันเนี่ยลองคิดดูสิงว่า ม, มันอยู่ด้วยกันแ ต, แต่เราไม่สามารถจะสร้างมันเกิดแล้วมีพลังขึ้นมาได้ในการที่จะลุกหรือเงยศีรษะออกจากวัาตฏาได้อุปมาหลายครั้งบอกว่าเราเนี่ยทุกความคิดของเราเนี่ยเราจะมีตะปูอยู่ดอกหนึ่งแล้วก็ตอกปึกกดนั่นเลยแล้วก็ใช้ค้อนตอกทุกความคิดเลย ตอกให้ติดอยู่ในสังสารวัฏจําได้ไหมเข้าใจยใังไหมตอกตลอดเราไม่เคยเงยออกมาที่จะออกจากขันเนี่ยเข้าใจยังไหมทุกเม็ทุ ก, ท ก, ท ก, ทกความคิดทุกอนูของความคิดทุกหน่วยของความคิดความจำความเข้าใจเนี่ยไม่เคยคิดอยากจะออกจากมันเลยและสัตว์โลกมันจะออกได้ไหมทําไมพระพุทธเจ้ า, าจึงบอกว่าพระองค์ทรงผลขวายน้อยอะ ถ้าเราจะแสดงทำให้กับคนที่อาลัยในวัตถุกรรมด้วยกิเลสกรรมเนี่ยมันจะเป็นความลำบากของเราเข้าใจไหมเข้าใจพุทธประสง่งข้อนี้ไหมพระเจ้าบอกว่าพวกเราเนี่ยหรือสัตว์โลกเนี่ยไม่เคยคิดออกจากวตากันเลยอ่ะถ้าพระพุทธเจ้าจะแสดงทำพระพุทธองค์จะเหนื่อยแต่การเหนื่อยมันมีการเหนื่อยอยู่สามทางเหนื่อยทางกายเหนื่อยทางวาจาและเหนื่อยใจ พระเจ้านั้นจิตใจไม่เหนื่อยแล้วเพราะพระ อ, องค์นั้นถอนกิเลสออกจากใจได้หมดแล้วแต่พระ อ, องค์เห็นว่ามันเป็นความลําบากกายเนี่ยกายจะต้องเดินไปจะต้องใช้วรากายอย่างหนักเลยเพระองค์เป็นสุขุมาราชาติเนี่ยมีพักกําลังอย่างมากมายก็จริงดูแต่มันเหนื่อยแล้วต้องเหนื่อยวาจ้าต้องมาเปล่งเพาะโอดใช้พระวจะนะกล่าวแล้วกล่าวอีกกล่าวแล้วกล่าวอีกมันไม่ใช่สนุกนะเข้าใจอนาุมาเข้าใจแล้ว ว่เหนื่อยกายกับเหนื่อยวาจาเป็นยังไงอ่ะอาเคยนั่งกล่าวว่าทำเนี่ยแาดชั่วโมงรวดเคยนะไม่จริงๆแต่บรรยายเสร็จเนี่ยไปถามโดเนี่ยบางคนเข้าใจนิดอู้ไม่ง่ายยิง่งเราคิดดูพระองค์จะต้องใช้พระโอษฐในการมาตรัสพระวจนตรัสพระธรรมอะ่ะเพื่อจะบอกว่านีจตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นชาติทุกข์ เป็นที่ตั้งของความเกิดเป็นที่ตั้งของความแก่เป็นที่ตั้งของความเจ็บเป็นที่ตั้งของความตายมันเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลําบากเธอทั้งหลายจะทําถ้าเจตนาตั้งไว้เพื่อปรารถนามีตาหูจมูกเลี้นกายใจเธอแย่แล้วเสียหายมากวิบัติมากมันจะเป็นไปเพราะความโศกความลาไรลําพันความไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะเป็นไปเพราะความคับแค้นใจเธอรู้หรือไม่เนี่ยนะ โู้ไหมล่อที่เท่าบาดตัณหากันอยู่เนี่ยมันผิดทางแล้วสัตว์โลกก็มองไม่เข้าใจอะ่ะแล้วจะทําไงเออเอาพูดใหม่อุปมาใหม่นนะมันเป็นความเหนื่อยจริงๆนะที่สัตว์โลกไม่ได้ตั้งอัธยาสัยไว้เพื่อจะออกจากวตฏฏะเนี่ยแล้วก็ไม่เห็นภยัยไม่เห็นโทษใช่ไหมก็ดิ้นรนกันอยู่นี่แหละกระเสืบกระสนว่าทุจริงโว้ยเนี่ยแหละแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือความทุกข์คืออะไรเนี่ยมันเป็นความเหนื่อยเอามาเข้าใจแล้ว ไม่ไม่ง่ายไม่ง่ายเลยเพราะมคิดกลุ่มมุมใช่ไหมพ่ออะไรเลยไหมอริยสัตว์เนี่ยธรรมะท่เบตองค์ตัดสรู้เนี่ยมันทนกระแสนทนยังไงอา้าวก็สัตว์เห็นว่ามันสวยงามอะ่ะสิเห็นตาหูจมูกริ้นกายใจมันงามอะเห็นตาหูจมูกริ้นกายใจมันเที่ยงอะเห็นตาหูจมูกริ้นกายใจมันสุกเนี่ยเห็นตาหูจมูกริ้นกายใจมันเป็นอัตตาเป็นเขาเป็นของเขาอะ่ะ ก็ศาสตร์เห็นอยู่อย่างนี้แต่พระธรรมของพระเจ้านั้นเนี่ยคือทวนความคิดของเขาบอกมันไม่งามมันไม่เทียมมันเป็นทุกข์แล้วคุณคอนโทรลมันไม่ได้หรอกแต่โลกปองก็ไม่เข้าใจว่ามันทนยังมันทวนความคิดเขาอ่ะพราะศาสตร์โลกเขาคิดอีกมุมนี้แต่พระเจ้าก็บอกว่าอีกมุมนี้ลองคิดดูเหนื่อยไหะมันเป็นความเหนื่อยของท่านอนรมามองโหวี่ พระพุทธเจ้าเนี่ทรงใช้พระวรกายอย่างหนกักผัดเพี้ยนกับพญามัจุราชก็ตัดสรุปเสร็จปุ๊บมัจุมา เ, เทพธิดานเนี่ยมามาม า, มาราธนาขอให้นิพพานเดี๋ยวนี้นะพระเจ้าก็ผัดไว้ก่อนว่าจะแสดงกรรมใช่ไหมพญามารก็บอกว่าเนี่ยท่านหวงดิ ไหนว่าสละได้ทุกอย่างก็ใช่ไหมต้องทนนะเนี่ยต้องวางเป็นฉลังคู่เปกขาต้องอดทนเนี่ยไม่ยอมสละขันให้กับพญามารถ้าสละไปเราซวยนะขอไปถ้าสละวันนั้นเราซวยแล้วโลกนี่ชิบหายแล้ววิบัติแล้วใช่ไหมพระองคต้องฉลังคู่เปกขามีสติสัพชัญญะไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับคําตําหนิของมารลองคิดดูดิ จนประกาศใช้ความเหนื่อยยากนะโดนดา่าโดนว่าโดนอะไรสารพาัดก็คนไม่เคยนับถือพระองค์เลยเนี่ยต้องคิดดูทีเดินไปยำโดยพระบาทเปล่าจาริกจากบริเวณโพธิมณฑลที่ไปนโน่นไปประกาศทรรจักรเห็นไหมที่บาลานดีสีอะ เท่าไรสิ8ปดโยดอ้าวงเดินีกลับไปบ้านเนี่อยากจะเห็นพระเจ้าเหนื่อยขนาดไห น, นไม่ไม่ได้ใช้ลิศนะเดินนะปกติพระพธเจ้าทุกองท่านท่านห่อไปเนี้ยแต่นี้ท่านต้องเล่งทำเวลาท่านเวลาท่านเหลือน้อยเล่งทุกเวลา นี่ไงให้เห็นให้เห็นอย่างนี้ว่าธรรมมีค่ายอย่างนี้พระพุทธเจ้ามีค่าอย่างนี้ใจมันจะอย่างน้องน้องต้วทาท่านจะว่าเออวิที่คิดเน่ยคิดอย่างนี้จะได้เห็น Thompson คุณค่าของของการตัตรูของพระพุทธเจ้าเห็นไหมว่าจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ได้ปรารถนารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้ปรารถนาบริษัทธไม่ได้ปรารถนาการเข้าพระนิพพานในการที่เข้าอรัตถนิพพานเป็นรมพระเจ้าไม่ได้ปรารถนาสาวาทิเสสนิพพานนะ ไม่ได้ปรารถนาอาราธผลไม่ได้ปรารถนาสมาบัติไม่ได้ปรารถนาสาัพพัญุตยานไม่ปรารถนายศยศชื่อเสียงต่างๆเลยไม่เลยปรารถนาในความมีสถานะเป็นพระเจ้าแล้วคนจะยกย่องกระเสรินท่านคนจะได้บูชาท่านเยอะๆรู้จักท่านไม่ใช่พระเจ้าปรารถนาอนุปาธาปรินิพานเนี่ยการดับโดยไม่มีส่วนเหลือเห็นได้จากการที่พระองค์สละขันให้กับยามานตอนปลงประชาชนอายุสังขารบอกเอาขอบ่อยดีนะักสละเลยเนี่ยเห็นไหม มันตกใจเลยเนื่ว่าไม่ได้เห็นไหมเนี่ยขอมาตั้งหลายครั้งที่พระ อ, องค์ทนอยู่อะ่ะเพราะพวกเราเข้าใจไหมเพราะพวกเราเนี่ยที่นั่งกันอยู่นี่เนี่ยถ้าไม่มีพระ อ, องค์อยู่ทีพระธรรมจะอยู่ไหมเนี่ยเราจะได้เห็นว่าองค์พระเจ้าเยิอนอย่างนี้นั่นที่พระ อ, องค์ทนต้องทนอนะ่ะปกติเนี่ยใครขอให้ทันทีนักเกียรต้วยดิก็คนสร้างบารมีมาขนาดนั้นยศนะ ม, มัน ขอตาควักตาให้ขอศรีรษะตัดศรีรษะให้ขอสรีระให้บุตรภรรยาให้หมดมีตรงไหนบ้างที่พระองค์ไม่เคยให้ไม่มีนะให้ตามากกว่าดาวบนท้องฟ้าให้เลือดมากกว่าน้ําในมหาสมุทรทั้งทั้งสี่ใช่ไหมเป็นต้นเนี่ยนะตัดคอให้เนี่ยมากกว่าคุนเขาสินเนลุกก้อนเม็ดหินที่ในขุนเขาสิเนลุกให้เนื้อให้เลือดให้ดวงตาให้ศรีรษะเป็นหะ ประมาณนี้ได้ยี่สิบปันสมัยิ่งเลยแสนครับฉะนั้นขอให้พระองค์นิพพานเปเรื่องง่ายมากแต่ต้องอาศัยกรุณาที่คุณต่อสัตว์พวกเราเนี่ยผูกท่านไงสัตว์โลกเนี่ยผูกเป็นอารามนาที่ปรดีกับท่านเออเป็นอารามนาปะปัจจัยกับท่านท่านห่วงพวกเราไงท่านไม่ไม่ปรินิพพานเนี่ยพอท่านประกาศว่าทำได้ระยะหนึ่งแล้วท่านก็ปรินิพพาน ตอนนี้ท่านสดับท่านสงบท่านเย็นแล้วนี่ขันพวกเรานี่มันกำเริบตอนเนี้ยกระแสขันธาตุยาตนาของพวกเราเนี่ยมันกำเริบแล้วมันไม่หยุดถ้าพูดแล้วก็คือเชื้อนี่มันไม่ถูกทำลายโดยโอสถที่วิเศษเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยได้รับเอาคิดเนี่ยนะในช่วงการลองคิดดูเราผ่านพระเจ้ามาหลายร้านองค์เราไม่ได้ดสัตว์รู้เลยอ่ะ บงบอกถึงอะไรอ่ะบงบอกว่าเราเนี่ยรับลัทธิของครูทั้งหกใช่ไหมลัทธิผิดผิดมาอย่างยาวนานนะปุรนาต ก, ากรสปะมคคารีโคสาละอชิตาเ ก, กสกมลสนชัยเวลาเขาบุตรปธธักุทธากจัยนะนี่คนหน่าจะบุตรใช่ไหมเพราะลัทธิเหล่านี้มันอยู่พยายาโลกใช่ไหมเราก็รับเสพเอาลัทธิผิดผิดฝังแน่นในกรกมลระสนานในกระแสขันาายยธน์อะไรเยอจันะ ฉะนั้นสัตว์โลกก็เลยเป็นผู้ยินดีในสังสารวัตรจริงไหมให้เมื่อเรายินดีในสังสารวัตรชื่นชมในสังสารวัตรแล้วก็พอใจในสังสารวัตรเนี่ยก็แปลว่าเราก็มีราคะโทสะโมหะลาดลดในกระแสขันเต็มไม่หมดเขาอหลักพิษของเราในเต็มตัวแล้วสังเกตดูวยไหมว่ากลิ่นศีลของพวกเรานี่เคยไปทวนลมถึงพรมโลกไหมใครนอนอยู่แล้วเคยมีพรมมาเยี่ยมไหม โอ้อยากจะมาชื่นชอมกลิ่นสิ่งนั้นไม่เคยเลยใช่ไหมเพราะว่ามีแต่ขนาดท่านนอนเนี่ยเป็นผ้าสวสดาบันเดินไปผ้าทหา ร, หารยังบอกกลิ่นใครนะมาเดินโชยกลิ่นใช่ไหมอันนี้บ่งบอกว่าตัวของกระแสขันของพวกเรามันเต็มไปด้วยกลิ่นของกิเลสก็คือแปลว่ามันพิษเต็มตัวพอมันพิษเต็มตัวเนี่ยคําสอนพุทธิย่าเป็นธรรมโอรสใช่ไหมเป็นยาขนาดพิเศษใช่ไหม แล้เราดื่มทุกวันวันเราเป็นร้อยร้อยแก้วบอกดื่มบ่บางทีไม่ได้นึกดื่มเลยใช่ไหมยะแล้วมันจะล้างคิดเลยไหมเนี่ยมันจะล้างคิดเลยไหมอย่าแปลใจทุกอนูความคิดมันถึงผิดเป็นส่วนใหญ่ทุกอนูความคิดที่เราคิดกันไปแล้วเราทํากันในกายกรรมวิจิกรรมโนกรรมเนี่ยนะที่ไปไปทางเทวันตาหัวยมุกลิ้นกายใจโดยมากผิดใช่ไหมถ้าหากอนามา มาพูดบอกว่าเห็นผิดเห็นผิดเห็นไปแล้วโกรธอนุมาเลยนะแต่ถ้าศึกษาข้อมูลมากๆแล้วเราจะรู้แล้วเราเป็นคนเห็นผิดจริงจริงจริงไม่ยอมสมาถ้าถ้ายอมสมานเนี่ยไม่ได้ศึกษาพิธามไม่ได้รู้อะไรรายละเอียดอาจารย์จะไม่กล้าบอกว่ายอมสมาเห็นผิดแต่พอศึกษาแล้วเข้าใจอย่างนี้พอเข้าใจบ้างอนุมาบอกยอมสมานยังเห็นผิดเยอะถ้าพวกอยนี้ยอมสมานต้องไม่โกรธเพราะเป็นอย่างนั้นจริงจริง พราความคิดในการที่จะฝังอยู่ในวันตตามันมากจริงๆแล้วเราคิดเราคิดมันธรรมดาว่าใครจะไปได้เนี้ยทั้งๆ ท, ท, ที่ความคิดอย่างนี้มันผิดและถ้าเรื่องวัตถุกรรมดียอมสมานอย่าเร็วะเช่นเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกินเรื่องรสเรื่องบ้านเรื่องรสพางเรื่องบ้านเป็นอย่างนั้นไปเอา้าฟังทรรอย่างนี้มีคนโทรกริ้งมาไปในบ้านย้อนสมานอยู่ไหม ม, มีทางเลยใช่ไหมเบาอ้วเนี่ย